เมื่อฟังธรรมแล้วเราก็ปฏิบัติจะมีความอดทนมีวิริยะความภาคเพียรอุตสหะความบากบันทำสมาธิจำสินภาวนาทำบุญทานการกุศลต่างๆที่ได้รับการตักเตือนแล้วเราก็ทำ ตามคําตักเตือนเหล่านั้นขนมันก็ยิ่งออกขึ้นมหาศาลเราไม่รู้จักว่าเราจะทําทานยังไงเราไม่รู้จักว่าเราจะรักษาศีลอย่างไงเราไม่รู้จักว่าเราจะภาวนาอย่างไงแต่ก็มีคนตักเตือนให้เราว่ารักษาศีลทําอย่างนี้ทําสมาธิทำอย่างนี้การให้ทานทําอย่างนี้นั่นคือการแนะนำและตักเตือน เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นผู้ที่มีบุญเรียกว่าบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานเราก็มีบุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลเราก็มีบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาบุญทั้งหลายเหล่านี้มันก็จะไปรวมตัวกันเก็บไว้ที่ใจของเราเล็กก็เก็บมากก็เก็บแม้ว่าทําเท่าไหร่ก็เก็บเก็บไปทุก ทุกขณะทุกเวลาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเปรียบเหมือนกันกันกบบุคคลปลูกต้นเงาะต้นทุเรียนต้นแอปเปิ้ลต้นแพะต้นเชอรี่ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรทั้งมะม่วงมะปรางมะปิงทั้ง ผลไม้สารพัดที่ปลูกลงไปเวลาที่ปลูกลงไปนั่นมันจะไม่ออกผลในทันทีมันจะเราจะต้องใส่ปุ๋ยและรดน้ํากว่ามันจะโตนี่อย่างต้นชุเรียนอย่างนี้ก็ใช้เวลาห้าปีหรือต้นงอนี่ใช้เวลาสมปีหรือห้าปีอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราใส่ปุ๋ยและรดน้ำํำ เราก็ต้องออกเรียวออกแรงเราก็ต้องมีความเพียรอุตสาหะเราต้องมีความตั้งใจปกป้องรักษาต้นไม้เหล่านั้นเมื่อเราปกป้องรักษาต้นไม้เป็นระยะเวลาสามปีห้าปีผลไม้มันออกมาจะเป็นทุเรียนก็ตามเป็นงอกก็ตามเป็นผลไม้อื่นก็ตามผลไม้เหล่านั้นมันก็จะย้อนกลับมารักษาตัวเราและมันเป็นยังไง นั่นคือผลที่เห็นทันตาที่เป็นของเปรียบเทียบว่าเมื่อเราพากัน ร, รักษาบุญของเราจะเป็นการให้ทานหรือเป็นการรักษาศีลหรือเป็นการภาวนาเราพยายามรักษาบุญเหล่านี้ก็ในที่สุดก็กลับมาเป็นของเราให้ผลเรารักษาเราให้เรานั่นไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพาน เรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเกิดมาเป็นสวรรค์สมบัติเกิดมาเป็นนิพพานสมบัติคืออันนี้แหละที่เรียกว่าธรรมะตักเตือนให้สติซึ่งกันและกันสวัสดีสาธุ